ส่สวดที่เราสาธยายทุกเช้าเนี่ยถ้าเราไม่เพียงแต่สวดไปนะตามถ้อยคำที่เขียนในหนังสือแต่ว่าลองพิจารณาดูด้วยเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์แล้วก็ได้ข้อคิดทำให้เกิดปัญญา หรือว่าความเข้าใจในเรื่องตัวเราในเรื่องชีวิตของเราไม่มากก็น้อยโดยเพรา ะ, ะส่วนที่ได้พรณนาถึงความทุกขนะ์ความเกิดก็เป็นทุกข์นะความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์โดยเพราะสอง ประโยคนะที่อยู่ถัดมาหลังจากนั้นเนี่ยการพัดพราดจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยโดยเพราะความทุกข์ใจนะเกิดจะร้อยทั้งร้อยเนี่ยก็ อยู่ที่ตรงนี้แหละประโยค 2. สองประโยชนนี้แหละผู้คนนะกว่าเจ0 0 0ันล้านคนทุกวันนี้ที่ทุกข์ใจอยู่ก็เพราะนะเหตุการณ์สองเหตุการณ์นี่แหละคือพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจแล้วก็ประสบกับสิ่งที่ไม่รักนะที่พอใจ ยึดตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างหลายคนตอนมาวัดใหม่ๆก็มีความทุกข์นะทุกข์เพราะอะไรเพราะต้องพัดพรากจากสถานที่ที่สบายนะคือที่บ้า น, นที่นอนที่อบอุ่นนะสบายอ่อนนิ่มอาหารที่ถูกใจ ได้ดูหนังฟังเพลงนะเมื่อไรก็ได้แล้วก็ได้พูดคุยสนุกสนา น, นนั่นก็คือสิ่งที่รักที่พอใจพอพัดพรากมามาอยู่ตรงนี้นะความทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีไม่ต้องถึงกระสูนเสียนะแค่อยู่ห่างมันเท่านั้นแหละไม่ได้เสพไม่ได้ใช้มัน ก็เกิดความทุกข์กายไม่ได้ทุกข์นะแต่ว่าใจทุกข์ขั้นมาที่นี่แล้วเนี่ยเจอกับสิ่งที่ไม่รักที่พอใจเช่นอาหารที่ไม่ถูกปากต้องนอนอกับพื้นไม่มีเบาะไม่ติดแอร์หรือว่าต้องเจอกับความชื้นแฉะต้องเจอยุงนะ รวมทั้งความเหงาเนยะกฎระเบียบที่แม่นี่จะให้เราพูดคุยสนุกสนานกันนะอันนี้ก็ทุกข์แล้วล่ะไม่ได้ทุกข์กายนะแต่ทุกข์ใจถ้านะความทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นกับเราหรือได้เคยเกิดขึ้นกับเรามาแล้วเนี่ยเมื่อสาหาสาเหตุก็เกืดบจะลอยทั้งลอยก็หนีไม่พ้นนะสองอย่างเนี่ย ยิ่งถ้าเป็นเกิดความสูญหายขึ้นมาเช่นเงินหายรถหายบ้านถูกยึดนะอันนี้ก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่กายไม่เป็นอะไรแต่ใจทุกข์หรือว่าไปเจอกับสิ่งที่แม่รักที่ไม่พอใจเช่นโรคภัยไข้เจ็บความล้มเหลว หรือว่าคำตำหนิต่อว่าด่าทอเนี่ยอันนี้ก็ทุกข์เหมือนกันไม่ใช่ทุกกายแต่ทุกใจถ้าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพยายามที่จะป้องกันหรือหลีกห น, นีความทุกข์ก็พยายามทีมท่จะไม่ให้เกิดความพัดพลาคจากสิ่งที่รักที่พอใจ นะเช่นสร้างกำแพงล้อมรั้วเพื่อไม่ให้ทรัพย์สินในบ้านเนี่ยนะถูกคนขโมยไปอาจจะติดสัญญาณการขโมยติดกล้องวงจรปิดหลายอย่างขับรถไปไหนนะก็ต้องมีกุญแจล็อกอย่างดนะีเพื่อไม่ให้ โจนขโมยไปรวมทั้งการดูแลรักษาร่างกายนะเพื่อไม่ให้ความปกตินะมันสูญเสียไปกลายเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยเราพยายามที่จะหาทางป้องกันให้เกิดความสูญเสียพัดพรากขึ้น แต่ว่าไม่ว่าป้องกันอย่างไรนะมันก็ต้องมีความสูญเสียหรือความพัดพลาดเกิดขึ้นจนได้อาจจะไม่สูญเสียนะแต่ต้องพัดพลาดเนี่ยอย่างทรัพสมบัติในบ้านเราก็มีครบไม่มีใครขโมยไปแต่เราต้องพัดพลาดจากสิ่งนั้นมาอยู่ที่นี่อันนี้ก็ทุกข์แล้วจริงๆถ้าเราพิจารณาหน่อยนะก็จะพบว่าความทุกข์เนี่ย มันเกิดจากสองปัจจัยนะหน่พัดพราก 2. ของที่พัดพรากเนี่ยเป็นสิ่งที่รักที่พอใจมันมีองค์ประกอบสองอย่างนะความพัดพรากนี่เป็นเรื่องเหตุการณ์เช่นต้องมาอยู่ที่นี่หรือว่ามีคนเอาไปหรือว่าเกิดภัยธรรมชาติ แผ่นดินไว้ไฟไหม้น่ยก็พัดพราอันนี้เราเหตุการ์มีเหตุการ์เกิดขึ้นเหตุการ์นันเรียกว่าความพัดพราคสความรู้สึกของเราต่อสิ่งนั้นก็คือเรารักเราพอใจนะถ้าว่ามันมีมันมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งแค่ปัจจัยเดียวเกิดขึ้นนี่ไม่ทุกนะเช่นพัดพรากก็จริงแต่ว่าไอ้ของที่เราพัดพรากหรือสูญเสียไปนั้นเนี่ยเราไม่รัก เราไม่พอใจเราก็ไม่ทุกข์นะเพื่อโร่วมงานที่เราไม่ชอบเขาถูกไล่ออกนะเราทุกข์ไหมเราก็ไม่ทุกข์นะหรือว่าแดดร้อนนะความชื้นจะเกิดขึ้นเสร็จแล้วเราพัดพรากจากสิ่งนั้นไปเราก็ไม่ทุกข์ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเราไม่พอใจพัดพลาดแค่ไหนก็ไม่ทุกข์จะทุกข์ก็ต่อเมื่อพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจไอ้ความรักความพอใจนี่เป็นเรื่องข้างในเป็นเรื่องความรู้สึกภายในต่อสิ่งนั้นมันะเห็นได้ว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากองค์ประกอบ2 อ, อย่างคือเหตุการณ์ภายนอกแล้วความรู้สึกภายใน แล้วคนส่วนใหญ่ก็พยายามไปป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ว่าขึ้นเหตุการณ์พัดพร่าแต่ว่าลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยพัดพร่าแค่ไหนก็ไม่ทุกนะถ้าใจเราเฉยๆกับสิ่งนั้นหรือว่าใจเราเนี่ยไม่ชอบสิ่งนั้น ถ้าเราไม่ชอบสิ่งนั้นพัดพรากอะไรก็ไม่ทุกนะอันนี้เรียกว่าตบมือข้างเดียวเสียงไม่ดังตบมือข้างเดียวไม่ดังนะตบมือข้างเดียวไม่ดังแปลเขาว่าทําสิ่งเดียวย่อมไร้ผลไม่เกิดผลหรือว่ามีปัจจัยเดียวเกิดขึ้นนะย่อมไม่เกิดผลต้องมีสองปัจจัยนี่แทนที่เราจะคิดหาทางแต่ป้องกันไม่ให้เกิดความพัดพรากเนี่ย นะถ้าเราไม่ต้องการให้เกิดความทุกข์ใจเกิดขึ้นเนี่ยเราลองมาทำที่ใจของเราบ้างอย่ามัวแต่ป้องกันสิ่งภายนอกไม่ให้สูญเสียพัดพลาดอย่างเดียวนะก็คือว่าของต่างๆนะที่เราเคยรักหวงเคยห่วงแหนนะเคยยึดติดเนี่ยเราลองที่จะทำใจเป็นกลางกับมันดูบ้างนะไม่ใช่หลงรักหัวปากหัวปั๊มนะ แต่ว่าเราเฉยๆกับมันไม่ได้ยึดติดถือมันกับมันมากเมื่อถึงเวลาสูญเสียมันไปหรือพลาดพลาดจากมันไปใจก็ไม่ทุกข์ในทะเลเดกันนะความทุกข์ที่เกิดจากความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักนีอันนี้ก็ประกอบด้วยสองอย่างนะก็คือหนึ่งประสบเกิดความประสบเกิดการ สัมผัสเกิดขึ้นหรือว่าเจอนะผ่านพบกับอยิยารนั่นคือว่าสิ่งที่เราผ่านพบนั่นน่ไม่ชอบนะเราก็พยายามป้องกันนะไม่ให้เจอไม่ให้ประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจแต่ไม่ว่าทำยังไงก็ต้องเจออยู่วันยังทำยกตัวอย่างเช่นนะคำตำหนินะ อุปสรรคความล้มเหลวรวมทั้งความเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เราไม่ชอบเลยแต่ต้องเจอไม่ว่าเราจะพยายามป้องกันยังไงก็ต้องเจอพอเจอแล้วเราไปงานเราก็ทุกข์และถ้าเราคิดแต่ว่าขออย่าได้เจออย่าได้เจอนะไม่ว่าจะสวดมนยังไงทิ่ฐานยังไงก็ไม่มีทาง สำลิผลนะเพราะยังไงก็ต้องเจอมากหรือน้อยก็แล้วแต่แต่ครนี้ทําไงจะไม่ทุกข์นะเมื่อเจอก็ต้องปรับใจเรานะก็คือว่าแทนที่จะไม่รักไม่พอใจเราก็เฉยเฉยกับมันบ้างนะการปรับใจตรงนี้น่าจะง่ายกว่าเพราะว่าทําได้เดี๋ยวนี้ทําได้ทันทีนะเช่นจากบ้าน ที่แสนสบายจากเพื่อนจากคนรักมาที่วัดเนี่ยเออต้องมาอยู่คนเดียวต้องมาอยู่กุฏิหรือว่าต้องมานอนร่วมอ่าชายคาคนอื่นนะแทนที่จะไม่พอใจกับสิ่งที่ประสบนะอ่ะเราก็ลองทำใจเป็นกลางๆดูเรื่องอื่นที่หนักกว่านั้นก็เหมือนกันนะเช่นทำตำหนินะ คำตำหนิแต่ก่อนนี่ไม่ชอบเลยแต่ไม่ชอบเท่าไหร่ไม่ชอบยังไงก็ต้องเจออยู่วัดยังค่ำดี๋ยวนี้มันมีช่องทางตำหนิเยอะมากเลยนะไม่ใช่ในที่ทำงานที่บ้านนะบางทีในเฟ e b o o k ใน l ล n e เนี่ยยิ่งมีโซเชียลมีเดียเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเปิดช่องทางให้คำตำหนินะมันมากระทบตัวเรา กระทบะกับจิตใจของเราแล้วคนนี้นี่จึงทุกข์มากขึ้นนะหลังจากที่มี facebook หลังจากที่มีโซเชียลมีเดียแล้วคนไม่ได้มีความสุขมากขึ้นเลยนะมีความทุกข์มากขึ้นต่างหากเพราะว่ามันเจอช่องทางที่ช่องทางเจอคําตําหนิหลายช่องทางมากขึ้นไม่ใช่ทางหูและไม่ใช่แค่ทางโทรศัพท์ ไม่ใช่ต่อหน้าต่อตาแต่ว่าทางสื่อต่างๆมากมายอันนี้เมื่อประสบกับคำตำหนิเนี่ยนะจากเดิมที่เราเป็นทุกข์กับมันเพราะว่าเราไม่ชอบเราลองปรับใจของเราว่าเฉยๆกับมันดูบ้างคำตำหนิมาอย่างไรแล้วก็เฉยๆหรือว่าปรับใจให้เป็นบวกกับมันซะเลย เช่นว่าเออตาหนิก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้รู้ว่าอะไรที่ควรแก้ไขอย่างที่เราสวนเมื่อกี้เนี่ยนะขุมทรัพนะผู้ชี้ขุมทรัพนะผู้ที่ตาหนิเรานะผู้ที่ขนาบเราเนี่ยนะคำตาหนิคำขนาบเนี่ยมันเหมือนกับแผนที่ชีขนะ้ขุมทรัพนะขุมทรัพคืออะไรก็คือว่าความถูกต้อง คำตำหนิก็เหมือนกับทางชี้ป้ายชี้ให้เราเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องคนเราเนี่ยไปติดอยู่กับความถูกใจกับไม่ถูกใจแต่ว่ามองข้ามเรื่องถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไปอะไรถูกใจก็เอาอะไรไม่ถูกอะไรถูกใจแต่ไม่ถูกต้องก็ก็เอาแต่ถูกต้องถ้าไม่ถูกใจก็ไม่เอานะ เป็นอย่างนี้กันมากนะตั้งแต่เรื่องเพื่อนๆเช่นเรื่องการกินนะอย่างเด็กเนี่ยนะผักเนี่ยมีประโยชน์นะแต่ไม่กินเพราะว่าไม่ถูกใจทั้งที่มันถูกต้องออกกำลังกายเนี่ยดีถูกต้องนะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ก็ไม่เอาไม่ทำเพราะไม่ถูกใจนะคำตาหนินะของครูบาอาจารย์ของพ่อแม่นะของมิตรสหายเนี่ย บ่อยครั้งก็ถูกต้องนะแต่ว่ามันไม่ถูกใจไม่ถูกใจอัตราไม่ถูกใจกิเลส ก, ก็ไม่เอานะไม่อยากฟังแต่ครั้นนี้เท่าเลยเราปรับใจมาเข้าหาความถูกต้องมากขึ้นถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญส่วนไม่ถูกใจเป็นเรื่องรองนะให้พอเรามองปรับใจแบบนี้เนี่ยเวลาเจอคาตาหนิเนี่เราก็มองเออเนี่ยเป็นการชี้ขุมทรัพย์ พอเราปรับจิตปรับใจของเรานะจากความไม่รักไม่พอใจก็เป็นความเฉยเฉยรือกลายเป็นความพอใจขึ้นมาหรือว่าเห็นว่าเห็นมีประโยชน์พอเจอคำตำหนิไม่ทุกข์แล้วกลับยิ้มให้กลับขอบคุณพูดที่ตำหนินะมองเข้ามือนก็เป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์นะอันนี้เราไม่ทุกข์เลยนะประสบกับคำตำหนิแต่ไม่ทุกข์เพราะว่า แต่เดิมเนี่ยไม่พอใจแต่ตอนนี้กลายเป็นพอใจซะและ้วมีเศรษฐีคนหนึ่งนะตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยชื่อเป็นผู้ก่อตั้งเมืองโบราณคุณเล็กวิริยพันธ์เป็นเศรษฐีที่ติดดินมากนะแล้วก็อยู่แบบง่ายๆถ้าเป็นคนน่าสนใจนะเคยพูดประโยคหนึ่งนะวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลนะวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอัปมงคล คือมองว่าคําตําหนิเนี่ยเป็นของดีนะเมื่อเห็นเป็นของดีเนี่ยถูกตําหนิก็ไม่ทุกนะให้การที่คนเราเนี่ยจะไม่ถูกตําหนิเลยนี่ยากนะนี่คือสิ่งเราสิ่งที่เราต้องประสบไม่มีทางหนีพ้นแต่ประสบอย่างไรจริงจะไม่ทุกนะก็แทนที่จะไม่รักไม่พอใจก็เปลี่ยนเป็นรักเปลี่ยนเป็นพอใจซะมันก็ไม่ทุกแล้วนะ การรักษาบางอย่างเนี่ยนะมันทําให้เกิดความทุกข์ทั้งกายและใจนะยกอย่างนคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะเวลาโดนฉายแสงโดนอฉีดีมโมเขา้าโอ้ทุกข์มากเลยทั้งกายทั้งใจบางคนก็แพ้อย่างหนักถ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นหัวหน้าพยาบาลแล้วแกก็เป็นมะเร็งที่แรงมากแล้วก็ มะเร็งของเธอเนี่ยต้องใช้การรักษาด้วยโดสที่สูงนะไม่ว่าจะฉายแสงก็ดีฉีดเคโ ม, โมก็ดีซึ่งคนส่วนใหญ่ก็แพ้อย่างหนักแต่เธอไม่แพ้เลยแพ้น้อยมากแล้วคนก็สงสัยเธอทำอย่างไรเธอก็บอกว่าเนี่ยเวลาฉายแสงก็นึกว่ากำลังได้รับแสงสวรรค์นะเวลาฉีดเคมรัรบเคมก็นึกว่ากำลังได้รับน้ําทิพนะ ใจที่เปิดรับนะใจที่เปิดรับรังสีแล้วก็เคมีนะมันทําให้ไม่ทุกข์ใจไม่มีความกลัวนะคนส่วนใหญ่นี่กลัวตั้งแต่เป็นทุกข์ตั้งแต่ยังไม่ได้เจอใชแล้วเพราะกลัวนะจะยิ่งกิติศัพท์ว่ามันทําให้แพ้ก็กลัวอย่างหนักทุกข์ใจทันทีเพราะความไม่ชอบนะ ได้ยินกฤษฎ์ก็เกิดความกลัวความกลัวคือความไม่ชอบความรู้สึกผักใสพอเจอเข้าจริงๆก็ร่างกายมันก็ต่อต้านก็เกิดการแพ้อย่างแรงคนคนหนึ่งนะเจอหลังสีเจอเคีมโมแต่ว่าไม่แพ้อีกคนหนึ่งเจอนี่แพ้หนักอะไรคือสาเหตุนนะ ก็ตอบว่าที่ใจนะคนนึงต่อต้านจึงเกิดความกลัวต่อต้านด้วยความกลัวอีกคนหนึ่งมองในแง่บวกว่าเออเป็นของดีเป็นแสงสวรรค์เป็นน้ําทิพยนะ์เนี่ยในเมื่อต้องเจอสิ่งใดเนี่ยนะแทนที่จะเกลียดแทนที่จะผลักไสมันก็ลองปรับใจเป็นชอบมันซะชอบเพราะเห็นประโยชน์ของมันเนะ น, นี่ยคือสิ่งที่เรานี่คือคือ ศิละปะในการแก้ทุกนะหรือว่าในการทำใจไม่ให้ทุกข์ไม่ใช่หาทางป้องกันว่าทาอย่างไรนะถึงจะไม่เจออย่างนั้นอย่างนี้หรือทำองไงถึงจะต้องไม่พัดพลาดจากสิ่งนั้งสิ่งนี้นะเราพยายามทำอย่างนั้นทำเท่าไหร่ก็ไม่มีทางที่จะหนีพ้นนะต้องเจอวันยังค่าในบางเรื่อง ต้องพัดพรากวันยังค่ำในบางสิ่งแต่เมื่อแต่สิ่งที่เราทำได้คือว่าเราปรับใจของเราเมื่อถึงคราวพัดพรากจากสิ่งใดก็ตามนะแทนที่จะไปยึดติด ก, กับมันนะเราก็หรือว่าแทนที่จะอ่หลงไหลในสิ่งนั้นเราก็ลองปรับใจดูนะก็คือว่าเป็นทำใจเป็นกลางๆงกับสิ่งนั้นนะ ในยานที่ต้องเจอสิ่งใดก็ตามนะแทนที่จะไม่รักไม่พอใจแทนที่จะต่อ ด, ด้านผักสายก็ลองปรับใจของเรานะให้เป็นกลางกลางอยู่ยเหมือนกันนะหรือว่าชอบมันไปซะเลยนะอันนี้เนี่ยมันเป็นวิธีแก้ทุกข์นะที่ที่เรามักจะมองข้ามกันไปนะอย่าไปมัวแต่ป้องกันหรือจัดการกับเหตุการณ์ภายนอก ลองหาทางจัดการกับใจของเราดูนะที่จริงเนี่ยก็ควรจัดการตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่สูญเสียพัดพรากนะก็คือว่าสิ่งใดก็ตามที่เราเคยรักเคยหวงแหนเนี่ยนะลองทำใจเป็นกลางๆงดูอาจจะเตือนใจของเราก็ได้ว่าเออมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนะมันเป็นสิ่งที่แปรปวน ได้ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปหลงไหลกับมันมากเพราะถ้าหลงไหลกับมันแล้วถึงเวลาพัดพลากก็จะทุกข์หรือมองว่าเออมันก็ไม่ใช่ ม, มีมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวแล้วมันก็มีโทษเหมือนกันนะทรัพย์สมบัติที่มีนะมันก็เป็นภาระนะในการรักษานะมันไม่ใช่ให้แต่ความสุขอย่างเดียวมันก็ทำให้เกิดความทุกข์ด้วย มีสังฆราชเจ้าองค์หนึ่งนะ เ, เมื่อสัก 70-80 ปีที่แล้วเนี่ยท่านได้รับเรียกว่าชุดน้ําชานะลายครามอย่างดีเป็นของโบราณจากจีนมีลูกศิษย์มาถวายนะ เ, เป็นของราคาแพงเพราะเป็นของโบราณก็คงจะสองสามร้อยปีเลยนะ เป็นชุดน้ำชานะเขาถวายมาเนี่ยนะท่านก็กำชับนะว่าให้เพราของนี่เป็นของดีเวลาลูกศิษย์เนี่ยจะมาทําความสะอาดนะท่านก็กำชับนะลูกศิษย์เนี่ยว่าให้ระระมัดระวังนะเวลาล้างก็ให้ล้างระมัดระวังให้ถือดีดๆนะ ท่านก็ทำางี้ทุกๆวันทุกครั้งเวลาลูกศิษย์มาทำความสะอาดไม่ว่าแถวนั้นหรือว่าทําความสะอาดถ้วยน้ําชาชุดน้ำชาเป็นที่รู้กันว่านี่ท่านท่านโปรดปรานชุดน้ําชานี้มากว่าใส่ใจกับชุดน้ําชานี้มากจะกําชับอยู่ตลอดเวลาแล้ววันหนึ่งเนี่ยนะท่านกําลังส่งงานอยู่นะส่งงานคือทํางานอยู่เล่นเสียงเพลง ยิ่งเสียงเพลงเนี่ยท่านก็ถามเลยเสียงอะไรลูกศิษย์ น, นี่อึ้งเลยนะเพราะว่าลูกศิษย์เป็นคนทำแตกและสิ่งที่แตกนั่นคือชุดน้ำชาที่พระองค์เนี่ยโปรดปรานก็พูดอย่างอำ่ำออึ้งว่าเนี่ยก็เป็นว่าเป็นชุดน้ำชาชุดนั้นแหละนะพูดไปก็กลัวจะโดนนะ โดนด่าหรือว่าโดนลงโทษพอท่านรู้นะพอสัง์งราชเจ้าเนี่ยรู้นะว่าเป็นชุดน้ำชาชุดนั้นแหละนะพระองค์ก็อุทานขึ้นมาเลยว่าเออหมดห่วงกันทีนะต่อไ่นี้ก็ไม่ต้องไม่มีห่วงแล้วนะถ้าไม่ได้แทนที่จะทุกข์นะท่านกับรู้สึกโล่งอกนะก็เรียกหมดภาระนะคนเราไม่ค่อยได้ตระหนักนะว่าสิ่งที่ สิ่งที่เรามีเนี่ยนะและยิ่งผูกพันกับมันเท่าไหร่มันยิ่งเป็นภาระกับเรามากเท่านั้นนะแต่ถ้าคนเรานี่เห็นว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยสมบัติที่เรามีเนี่ยมันเป็นภาระมันไม่ใช่ให้ความสุขกับเรามันเป็นโทษด้วยมันเป็นภาระนะต้องคอยดูแลต้องคอยรักษาเช่นรถเช่นบ้านรถยนต์เงินทองเนี่ยต้องคอยรักษาอันนี้เรียกว่าเห็นโทษของมัน นะเมื่อเราเห็นทั่วเข้ามาเนี่ยเราก็จะไม่ได้ยึดติดถือมั่นกับมันมากไม่ใช่หวงแหนกับมันมากถึงเวลาสูญเสียไปใจก็ไม่ทุกขนะ์หรือเราจะมองว่าสิ่งนั้นเป็นอนัตตาก็ได้นะสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นของเรามันเป็นของที่อยู่กับเราเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงบังคับบัญชาก็ไม่ได้ การมองเห็นความจริงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงนะเร <N> ียกว่าอนิจจังมองเห็นว่ามันเป็นภาระมันมันเจอไปด้วยทุกนน one, ข์นี้เรียกว่าทุกขังการมองเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราไม่สามารถเป็นเจ้าของได้แท้จริงนี้เรียกว่าเห็นอนตัตตาออความจริงที่ว่าไตรลักษณ์ถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยนะมันก็ทำให้ให้ความหวงแหนความรักความพอใจในสิ่งนั้นเนี่ยมันก็ค่อยๆ ค, คลายลงนะ กลายเป็นความรู้สึกเฉยๆกับมันนะดังนถึงเวลาพัดพรากไปนะใจก็ไม่ทุกข์นะง้พวกเราทุกคนเนี่ยก็ล้วนแต่ปรารถนานะความสุขใจไม่ต้องการให้เกิดความทุกข์ใจแต่วิธีป้องกันหรือแก้ไขบรรเทาความทุกข์งแล้วเนี่ยมักจะไปจัดการกับสิ่งภายนอกนะไปหาสิ่งดีๆมา แวดล้อมตัวเราแล้วก็หาทางป้องกันไม่ให้้หสิ่งดีๆนั้นเนี่ยมันสูญเสียไปจากเราหรือป้องกันไม่ให้เราพัดพลาดจากสิ่งนั้นแต่ไม่ค่อยนะมาจัดการที่ใจของเรานะจากที่เคยรักที่พอใจจนทั่งหวงแหนหลงไหลยึดติดนะเราลองมาปรับใจดูว่าเออ นะให้ใจเราเป็นกลางๆ ก, กับสิ่งนั้นมีก็ใชนะ้ไม่มีก็ไม่ทุกข์นะเอถึงเวลาสูญเสียมันไปนะใจก็ไม่ทุกข์ไอ้ส่วนที่เราเคยเกลียดนะเคยผลักไสนะเคยต่อต้านไม่รักไม่พอใจแล้วก็หาทางว่าทำไงอย่าได้เจอมันเลย แต่ทำยังไงก็ต้องเจอเมื่อต้องเจอแล้วเนี่ยทายังไงเราจะไม่ทุกข์ใจนะก็คือปรับใจของเรานั่นแหละแทนที่จะผลักสยต่อต้านก็วางใจเป็นกลางๆงดูเวลาเราเจริญสติทาสมาธิหลายคนจะบ่นนะโอ้มันทาไม่อยากทำเลยหรือว่ามันมีปัญหาทำแล้วทุกข์เพราะว่ามันมีความฟุ้งซ่านนะ หลายคนไม่ชอบนะส่วนใหญ่ไม่ชอบความฟุ้งซ่านพอเจอความฟุ้งซ่านซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีทางหนีพ้นสำหรับนักปฏิบัติก็ทุกขึ้นมาเลยแล้วก็ไปคิดว่าเนี่ยที่ทุกข์เพราะว่ามันมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นแต่ที่จริงไม่ได้มองไปเลยว่าไอ้ที่เราทุกข์เนี่ยเป็นเพราะเราไม่พอใจความฟุ้งซ่านต่างหาใจที่เป็นลบต่อความฟุ้งซ่านต่างหานี่คือเป็นที่มาของความทุกข์ ในการปฏิบัติยิ่งไปพยายามป้องกันไม่ให้ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเนี่ยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เพราะว่ายิ่งไปป้องกันยิ่งไปกดข่มมันมันก็ยิ่งฟุ้งเข้าไปใหญ่ที่จริงแล้วเนี่ยเราเพียงแต่ว่าปรับใจมาสมัยนะแทนที่จะรู้สึกลบกับความฟุ้งซ่านก็เห็นว่าเป็นธรรมดาเห็นว่าความฟุ้งซ่านเป็นธรรมดาพอเราปรับใจตรงนี้นะฟุ้งซ่านยังไงใจก็ไม่ทุกข์แล้วนย และยิ่งมีปัญญาเห็นว่าความฟุ้งซ่านก็มีประโยชน์นะมันเป็นการบ้านฝึกใจให้มีสติเหมือนนักมวยนักมวยเนี่ยต้องเจอคู่ชกนักมวยต้องมีคู่ซ้อมถ้านักมวยไม่มีคู่ซ้อมเนี่ยนะมันจะเก่งได้อย่างไรนะงนั้นคนที่เป็นนักปฏิบัติเนี่ยนะต้องการเจริญสติต้องการทำให้จิตเรามีคุณภาพก็ต้องมีคู่ซ้อมคู่ชกไอความฟุ้งซ่านนี่แหละือคู่ซ้อม มันมาก็เป็นการช่วยเติมนะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งความรวดเร็วปราดเปรียวของสติให้มากขึ้นยิ่งได้คูณซ้อมที่ดีมากเท่าไหร่นะความเก่งความรนะวดเร็วปราดเปรียวของสติก็จะมีมากเท่านั้นลองมองแบบนี้ดูสิจนะไปหาทางป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าปัจจัยของเรานะให้เป็นบวกกับสิ่งนั้น เสียงดังก็เหมือนกันนะหลังคนเนี่ยเป็นพวกแพ้เสียงดัง ย, ยิ่งเป็นพูกที่ติดในสมถะกรรมฐานเนี่ยความสงบเนี่ยจะไม่ชอบเสียงดังมากแต่ว่าไม่ว่าเราจะพยายามป้องกันอย่างไรก็ตามเสียงดังก็ต้องเกิดขึ้นมากระทบหูเราเป็นธรรมดานแทนที่จะไม่พอใจมัน ปรับใจให้เป็นกลางๆเลปรับใจเป็นกลางๆ ก, กับมันใจก็ไม่ทุกข์หรือว่าปรับใจให้เป็นบวกกับมันสักเลยนะเออมีประโยชน์เหมือนกันนะมันเป็นเครื่องฝึกสติของเราฝึกให้เรารู้จักวางใจเป็นอุเบกขานะพอเรามองมันเป็นแง่บวกแบบนี้นะเสียงดังก็ไม่ทุกข์นะไม่ว่าจะเป็นเสียงโทรศัพท์ที่ดังในระหว่างที่กาลังประชุมนันก็ดี เสียงคุยกันที่ดังเข้ามาในขณะที่เรากำลังนั่งสมาธิก็ดีนะใจเราก็ไม่ทุกข์แล้วนะให้ลองฝึกตรงนี้ดูบ้างนะปรับที่ใจนะอย่าไปแก้ที่สิ่งภายนอกแก้ที่สิ่งภายนอกก็ควรทำนะนะแดดร้อนบางทีเราก็ต้องอ่เปิดพัดลมนะฝนตกก็ต้องหาอ่า หาลมมากลางแต่ถ้าเกิดไม่มีพัดลมล่ะถ้าเกิดไม่มีลมล่ะเนียเราจะต้องทุกข์เสมอไปไหมไม่จำเป็นเนเราก็แค่ทำใจของเรานะให้เป็นกลางกลางกับสิ่งนั้นนใจก็ไม่ทุกข์ไปเองอ่ะเราก็พอสมควรกับเวลาอ่ะจบกนแค่นี้